ในพวกเขาเฮ็ดอยู่นี่สางจังหวะอยู่นี่อัตมาก็มีความมั่นใจว่าเมื่อเขาเฮ็ดอยู่ในรูปแบบการแบบในรูปแบบนี่ความงมงายสิ่งต่างๆที่ทำให้เขายึดมั่นถือมั่นเสื่อในเลิองามย่ำดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารสิ่งอย่งต่างๆยงต่างๆที่เขาเคยเสื่อเคยถือกันมานีกันมาลูกสิษย์่งเร้เนมันสนุนลราไป็มืแต่คันยังบวชบละบันนี่ก็นั้นก็แสดงว่าถึงว่ายกไม่ยกเมื่อยู่ ปฏิบัติจู่แต่ยังบ่เหลืกบละบ่หลดบละอันนึ่นก็สแสดงว่าความเข้าใจยังยังน่อยบอกกาบบอกกาโดดออกมาบอกกาเพราะว่าความเพิงพลาอาศัยคิดใจของเขาเนยว่าหาที่เพิงพลาอาศัยยึดถือเอาเมดอันนี้ดีอันดีก็เมดผีสางนังไหม่เทวดาเทวดาก็เมดอ่อนว่นโบงสวงเี่ยงก็ตังตังก็เมดปีนึงอยู่วัดสนามในมีโยมคนหนึ่งห่มากบอกว่าสีมาบวช แก้บนพระตันวะอ๋อย่อมไปบนอย่างมากเหวอพระตันโตบนว่าอยากให้ลูกไส้เกลอ่าบนแล้วให้ลูกอยากให้ลูกซ้า้เลี้ยนจบเพราะบนแล้วลูกไส้ผลเลี้ยนไปผลเขาเลี้ยนต่อพอดีนี่พอดีพอดีก็จบพระตันว่าจบแล้วก็เลยอยากอบวชแก้บนอบวชแก้บนนี่แก้บนอ๋อเฮ็ดเจนใดเหรอบนบนเอียงไหวบนสารพระพุมธวิเศษไหลยู่ในบ้านพระตันว่า อยู่บ้านขนาันบบนกันยังมันเจ็บเ็บอดอแอดๆอาทันว่าเป็นนั่นเป็น oh. น so, ี่อย oh. well, so, oh. oh. so, oh. so, ู่มาทันว่าเอ้าก็เลยถามแหละพระภูมินมีอยู่ที่อยู่คนมีเนื้อที่หลายบันไดหลายยมมาทันว่าเนื้อที่ก็ประมาณจะยังนี่ก็ปมานจะเมตรสองเมตรนี่ละมาทันว่าก็เลยถามมาได้เพื่อนในเสาทีเขาบนไดลายยมมาทันว่เพ่นให้าเสาเดือนละเท่าไรแล้วมาทันว่าอ้าวาเสาจะหน่อยขนาอยหอ้าเสาทีแล้วเพ่นปูั้นปูเพื่อนอยู่กับนี่เขาเพื่อนก็ต้องเสา้าทีเท่าเดียวาันว่า อ๋อกบได้เศร้าแล้วว่าะท่านเอ้าเมื่อกบได้เศ้าแล้วยังกินเข่าเพิ่นกินยังใดล่ะคู่ขาเราไปให้กันนะฉันเราไปให้เอเพิ่นเสียค่าอาหารในห้องเระบ่นล่ะบอวะท่านล่ะเอ้าคันบอแก้เพิ่นเพิ่นเสียเฮ็ดยังบ่นย่านเพิ่นไปเฮ็ดให้บ่ดีบ่ยู่สุขสบายนิสายเอ้าก็เลยยกตัวอย่างกันว่ายอมวะทอานนนไถ่ย่อมเอาเด็กหน่อยคนนึงได้ใช่นี่มาเลียงมาเลียงเลียงยังดีมันกลู้กันล้านล่ะแต่ว่าเด็กคนนั้นไงขึ้นมาขึ้นมากระทบมาเป็นคนเด็กกระตันยู่ หลักสิ่งหลักของของหยาิของของยอมออกไปเหนียวไปจากบัานจากเนือหงสิ่งของมีคาต่างๆหนางางขนโดยมืดเสื้อไว้คนคนหนเป็นคนกตันยุหรืออากตันยุวะั่นออเด็กนั่นก็เป็นคนอากตันยุแล้วท่านอ้าวอันนี้คือกันแล้วเนี่ยพระพุธตัวนี้ว่นดอกองเพิ่นยุนี่คือกันนะกันยุกับเผาเฮาเห้เพิ่นรักษาพวกปักรักษาเฮาเมื่อเฮาบ่ได้บวงสวงนี่บงสวงกันเพิ่นเท่าเผแสดงว่าเพิ่นกับพระพุธนี่อากาศันยุกันในย่อมวะั่นเนาะห่วย พระท่านเพราะฉะนั้นว่าเอาขันเป็นลักษณะขันพนุทธมเหต์ลักษณ ะ, ะให่ที่วันนี้รถพระท่านบอกะปะนันดีร พ, พระท่านว่าเห็ดเั่นใดขันบวชเพื่อแก้บนให้พระพุทธนั่นอาตมามาบวชให้แต่ขันบวชแก้ความชิดของเจ้าของอาตมากัสิบวชให้สิบวชเช่ไดดบวชแก้ความรดเบียดบวชแก้ความงมงายของเจ้าของนี้ของเอา้ากลองเบิง้งพาะั่นว่า เพราะฉะนั้นมาไอ้ความคิดที่ไปแจ้บนนั่นเรต้องหอวมาคิดอีกเรต้องหอวมาคิดน่ะมาเฮ็ดู่เนี่ยยกมือเดินจงกรมสั่งจังหวะเดินจงกรมทำคนเพี้ยนสั่งจังหวะยืนนีอยู่กับความรู้สึกเมือในปัจจุบันนี้นี่เฮ็ดได้สองมือพราว่าค้นเนาะเฮ็ดได้สองมือสามมือแต่กี่แต่ก่อนก็นเลยว่าบรเคยกลับมาบังชีวิตของเจ้าของนี่เจ้าของจะเถืเ่อ พอเห็นไปเห็นมากลับมาอยู่กับชีวิตกับปัจจุบันของคณะขนาหนึ่งเห็นชีวิตจิตใจขของมันชิดแป๊บกไปกลับไม่อยู่ปัจจุบันในคณะขนาหนึ่งเกิดเห็นความอ่าเห็นเกิดเห็นชีวิตจิตใจขอของแม้แต่ความชิดแปออกไปนี่ไปเมื่อที่ซีมามาอุทานโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วว่าท่นว่าเห็นอยัางย่อมเห็นความคึ้ว่าท่นว่าอียังคึดนยังตต่างขึ้นไปเมื่อปูนแต่งไปเมื่นี่ยมื่อสังมา่อสั่งเครื่องพัฒนาการขึ้นมากขึ้นไปเมื่เนี่ยเมื่อแม่นแท้แม่นแท้ว่าท่นว่าจากนั้นเลิ เลิกเลิกไหวเลิกงกมือไหวโลกเทสต์ตงเท็เพราะอยังเพราะความเข้าใจของคนเพราะว่าคว่ากรุงเทพเรมคนเทนเท่าอินเดีกันบนตัางบนพระคุ้มคนกรุงเทพอันนี้แจ็คสัมาอยู่นี่บาอยู่เลยบอกว่าแถวอยู่แถวแถวแถวบ้านน้องไงน้องนีบุนี่ละไปหาวัดหลายปีแล้วล่ะว่าบนตัางแจ้เป็นสาวทันว่าอายุสิบแปดสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบปี ได้ล right, ูกใส่ลูกอายุ11 12ขวบบ่นเราว่าท่านได้แก้บ่นชักเที่ยวมาเตือนว่าทำมาค่าขายก็บ่อขึ้นบ่อเกินบ่อหิ้งทั้งมันรู้สึกวันมีคุกขัดไปมื่ไปมดมาเอนนะไปถามหาจิบวดจังใดแล้วนนะที่กิงบอกให้มาบวชเจอวัดศรีบุรภลพานี่แหละบอกว่าใกล้บ้านบวชแล้วเสียลูกไปอยู่น้ำมาเัืนว่าอ๋อบวชแ่บบ้านเสียไปยเอาลูกไปอยู่น้ำาเตนนะว่า ทำไมอาตมาอาตมาก็ลืมหมล้ววะท่านดอกยิ่งเงีพอมเป็นคนที่เป็นผู้ที่ไปบวบบนบานสารเก่าคนหลายนี่หลายหลายผัวหลายคนมากน่ะหลายตาชักเ็นได้จาได้พอจำได้บพอักวะท่านกทำนมนอาตมาเลยมาลืมมดแล้ววะท่านนกลืมบ่มัเได้ยขาใจอยโย่ท่นวะบ่ก่เฮ็ดกับบ่เฮ็ดเนี่แมงอันนี้เพนผู้นี้วันไปบ่คือผู้อยุ่นุ่น บอคางจังหวาก็รู้สึกว่าคึดอมล้อมอมแต่น้าหลูกกันว่าโอ้ยใส่กันหลูกนาะลูกใส่ยกมือสกัลูกูกฝสาวลูกฝยิ่งยกมือขวากลูกฝายันใส่ขวายิ่งใสวายิ่งใส่วาส่วากลูกใสลูกสาวลูกใสลูกสาวอยู่เราะวนันไปบวชดยเพาะนี่กลับมาอยู่นหลูก่ในบ้านปฏิบัติที่บ้านก็ได้ตนออาจารย์าันมาเออได้ไ้ไปไปไปมาดันมาขีดาเพราะฉะนั้นว่าความเข้าใจของเขานิรันการปฏิบัติรูปแบบอันนี้รู้สึกว่าทาให้เขาเลิก อันนั้มันมันประมาณทิศถีได้ที่หลวงพ่อเทียนพบอกว่าแม้แต่พระพุทธเจ้ายางมันหนีกับเบเสื้อว่าั่หวะแมนพระพุทธเจ้ายางมันนกับเบเสื้อเสื้อยังเพื่อที่พระพุทธเจ้าบางคำพอหังพออยังพอเข้าบ่ได้ยังบ่ธรรมะบ่ต้เกิดขึ้นอยากเข้าเขาต้องพินิจพิจารณาต้องพิสูจน์ในตัวน้าซะก่อนอาจามาจะมีความหนใจว่าเออกอนบวชนยมพรพนเอาเรียกว่าพระเนาะ พาเหรดน่ะพาเหรดพาลูเหรดนั่นเหรดนี่พาจิงพาหอยพาข้อยังก็ะปจักล่ะเาเอาไปเอาไว้ถ้ารักษาเขาจังลาเากับ้าไม้ก็บูจาขีหนุยนี่ก็ใไสยามไพาต้องต่อนต่อนต่อนยางมานี่แลยามมาทำบัตรทำวายามมสอยยามมแรงานิเขาลักแกนเขาขโมยเด้เมื่อนึงปวดขอภั่หนาปวดท้องฉี่ิบินบาบตื่นมเศามาอยาไจะทวัดปวดท้องเขาไปห้องน้า ถึงเวลาจนเวลาทำบัดจนเวลาเอาปีนบาดก็หอยเพราะว่าผ้าดิพ่นว่าให้เข่าของสวมน้ำหน้ามันมันสิลุยขันเอาควาหอยคล้อเข้าไปห้องน้ำมองสวมน้ำมันสิลุยเสถันว่าก็เลยแขนไวปหน้าห้องน้ำในพนเปลย้ำไม่ให้พอออกมาล <home> ื่นเห็กุฏิเอบาดออกกุ้มผ่าบินรบาตออาปินรบาดชันเข่าชันน้ำชันเข่าเรียบร้อยหฮบาดย้ำกูไปไสว่บาสนทบทวนบึงโอ้หอยอยู่ห้องน้ำ กับแถวมามาเดินจงกลมมาเข้าใจเรื่องรูกเรื่องน้ําเรื่องรูกลูกทํานาําทําเรื่องสมมุตินี่แหละโอ้ยแก่มาเบิ้งนี่มาเบิง้งอันนี้กับเหรียญอันนี้ก็บโลหะสมมุติว่าให้เป็นรูปเป็นพระพุตรลูกสมมุติว่าเป็นยังสั้นสมมุติว่าเป็นยังสี่ม้นไพรักษาไพรกันแ น, น่นออบั่บามาคิดเบิ้งคักๆกูตั้งหา่าเป็นผู้รักษาอะไรต่างๆลุกคอไปรักษายัดหน่อยอยันไปน้ำพังวดกับยันให้เขามาขโมย อย่างเขามาขโ ม, มอยอย่างเขามาลักเอาไปเนี่ยอาไปยุดเพราะฉะนั้นเราพอเอ้ยตั้งแต่มือนีเป็นต้นไปต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําเลยได้กินบ่ได้กินกันแล้วแต่หลวงพ่อผมติดกัน ไ, ไปตามทางของผมว่าวกันแล้วทำไมก็เลยไปเอาไปเพิ่นเอาไปเอาเพิ่นไปว่างไว้อยู่อุ้มเลยละ่ะเอาหลวงพ่ออยืนดีละหมองอยู่มองเศร้าฝนตกฝ น, นลงก็หาแนวกั้งแนว ม, มุงเอาที่ไม่หันก็ก็าะหาแนวกั้งแนว ม, มุงอก็าจักเถื่อ เขามาเดินจุกกมเดินจุกกรมไปเดินอยู่มันสบายสว่างๆพได้ยึดเลี้ยงงื่อนเลื่องงามย่ามดีต่างๆนี่ต่างๆรู้สึกว่าทํำลายไปหมดเห็นแล้วเข้าใจแล้วรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความมั่นใจใหยาดย่อมมีความมั่นใจในการปฏิบัติมีความมั่นใจในหลกักหลัธรรมคํำสอนของพุทธเจ้าว่าเออพระมาของพระพุทธเจ้านี่รู้สึกว่ามีความเฉียบขาดมีความเด็ดขาดมีความแน่วแน่จริงจังเพราะฉะนั้นว่าพวกเขาที่มายกไหม่ยกมือยินดีขึ้นกัน ยึดมือครบแล้วครบยึดมือแล้วมืออื่นก็ทีได้ไปต่อนีต่อแล้วเขายังเป็นอยู่ลักษณะใดการประพฤติปฏิบัติทำห้องเข้าใจแล้วลักษณะใดหรือว่ายิ่งปฏิบัติยิ่งมีอัตตามีตัวมีตนเกิดขึ้นมายิ่งใหญ่ยิ่งพ้องกูเป็นปฏิบัติขึ้นลงบนถ้ำบนว่ากูเป็นปฏิบัติมึงเป็นปริยัติมึงไม่หาประเด็นกูยังว่ากันไปกูกูมึงมึงพวกน่ะคันเป็นอยู่ลักษณะนั้นก็แย่เลยยมขาดยมพาเฮาขึ้กัน เพราะฉะนั museum, uto, ้นว่ายิ move, ่งข kind of ึนสูงมันก็หอาปีนเขาเห็นบหมปีนเขากันยังยังแคบตัวใหญ่เถลอเถลอเพียงที่ลี่ที่ลี่นี่ยบอขึ้นว่าไรไงหลังต่ําำลดเพราะฉะนั้นว่ายิ่งขึนสูงเข้ายิ่งโน้มตัวลงไปหาต่ําโน้มขึ้นไปนี่ขึ้นไปนี้ขึนไปเคยขึ้นเขาบ่เนี่ยขึนเขายางคําแอวขึนเขาจนเครองจนเครืนขึ้นไปได้บอกก็ได้เห็นไ่มมันต้องโค้งโค้งลงไปนี้ลงไปเพื่ออะไเพื่อจะจับเนี่ยเนียวกินกันไปนี่กิงใหม่กินไหลายกันไปปฏิบัติทํำเข้าคือกันน่ ขัณฑาใดเขาอย่างนี้เ mm รียกว่ามีคิดถี่มีมัณหาเกิดข <Hey. S 2> uh ึ้นมาในขึ้นมาภายในใจของเขายังบริสบรละแต่มันกะมีเหตุมีผลในพวกมันนี่มีเหตุมีผลเอาเหตุแต่ผลมาอ้างเอาเหตุแต่ผลมาว่านี่กันไปนี่กันไปโอ้ยหาเหตุหาผลมาว่าวางว่ากันไปนี่กันไปสมัยหนึ่งครูบาอาจารย์เราฟังว่าพระเออว่าพระอาจารย์อะไรต่างๆอาจารย์ปฏิบัติธรรมเกิดเกิดนี่ปัสนูขึ้นมาี่ขึ้นมา โอ้ยไปเทียดให้นผู้ใดฟังนี่เทียดเทียดเมื่อไผ่ที่ห้ามห้ามบ่อ้แม่งอันนี้เพราะว่าเขาคงเทพยเขากําลังสั่งคอนโดสั่งไอติดมีดสามสันสี่สัน่เขาห้ามบ่อยขึ้นไปอลูกพี่ขึ้นไปทำไมเนี่ยเขายังทำก็ทายังไม่เสร็จนี่ไปเสร็จอ่าขึ้นไปแล้วจะเกิดอันตรายนี่อันตรายใครจะมาห้ามพระจันได้วะพลันว่าพระจันมันจะขึ้นี่ขึ้นทําไมใครจะมาห้ามได้พลันว่าขึ้นไทยนี่ไทยนี่ไทยนขึ้นไปดิขึ้นไปขึ้นไปแล้วกูไม่อย่างนี้กลับลงมา มันจะเป็นเหตุเป็น ut ๆๆ formas, ๆๆ er ผลหาเหตุหาผลมาคบมาคบมาล่างหากล่างกันไปนี่กันไปเพราะฉะนั้นว่าทิฏฐิตัวนี้รู้ส 38, min, <Therefore, S 1> ึกว่ามันมันรุนแรงพอสมควรเพราะฉะนั้นว่าพวกเขาให้มันหลดมาละลองเบิ่งนี่ลองเบิ่งเหตุลองเบิ่งทําลองเบิ่งกานปฏิบัติเข้าใจแล้วนิ่จริงแล้วนี่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายอยู่อยู่ใดเย็นเย็นใดอยู่ใดสบายบ่เดือดร้อนบม่บุ่นไหวใครคิดเป็นลักษณะไหรู้สึกเป็นปกติชีวิตจิตใจของเขาฝุ่นบางคนเอ้ผมก็เป็นปกติอยู่ลักษณะนั้นแหละเป็นปกติเลยใช่ไหมนี่แหละ ม <the> ือนกับส่วนหนึ่งใคยถามพระในข่าวเป็นอยังไงจะคุ้นเลยเนาะในข่าวเข้าสริงคือบดเดือดบดีบวงามเกิดขึ้นมาขึ้นมาเป็นยังไงแม่แจ่มที่เขาไหว้รีบบอกพระขึ้นมาว่าเฮ้ยพระอริยเจ้าเฮิตยังทํายังไม่ยึดมันถือมันดอกก็เท่านั้นแหลอันนี้คําไมไ่ยึดมันถือมันนี่ก็รู้สึกว่าเป็นดาบสองคมเหมือนกันเลยเป็นดาบสองคมกันน้าใส่ว่าเป็นกระเช้านเข้าเหมือกันน่ะเพราะฉะนั้นว่าผู้ที่เว้าออกมานั้นมีความเข้าใจมีความ เป็นตัวเป็นตัวนี้ค่อนเป็นสมารถทิฏฐิมากหน่อยแค่ใดอันนี้ที่สาคัญเป็นผู้่ะครับเป็นความสําคัญขันเขายังเมื่อเป็นยังเมื่อเป็นสมารถทิฏฐิเอาพิงแล้วนี้ไปว่ารู้สึกว่ามันกะอันตรายอันตรายมันที่เกิดขึนมานี่ยขึนมามันที่ประหัรประหารเลยว่ามันช้ำแหละของเจ้าของนี้ของออกมาเพราะอย่ว่าให้เขาสํารวจตรวจตราของเขาบังความตีชินนิ่งท่าว่าเกาสิ่งต่างๆนั่นเหมือนกับผู้ได้เจ้าว่าเหมือนคนเตะคำติชินนิ่ท่าเหมือนกบเขาชี้คุมทรัพย์ให เขาต้องย้อนกลับมาเบิงสำรวจตรวจตาเบิงนี่เบิงเบิงตัวเขาเป็นอยู่ลักษณะใดเป็นไปแบบใดนี่แบบใดจังสี ม, มันจังเพรเขาบอกเขาว่ายิา่งขึ้นมากนี่ขึ้นมาเขาม่มีความรู้สึกเป็นลักษณะใดขันมันคุนการแสดงวายัง่งขันมันมันจะเพิ่มการแสดงวายังขัามันนิ่งยุดเป็นปกติแต่ว่า่บมันนิ่งเงียบด้วยความเบียกโตเบียกโตเบียกคัดแจ้งเบียกโตแยง่งแต่ว่าเงียบดย้ยความเป็นปกติ มันเียด้วยความหมกมันคุกคุนอยู่ข้างหนอ่างบแมนนี่โบแมนเงียเป็นปกติทั้งกายทั้งว่าจาทั้งใจของเขาเป็นปกติอยู่ตลอดนี่ตลอดเพราะฉะนั้นว่าปฏิบัติทัชนเนี่ยยกมือไหมยกไหมยกมือตัวเนี่ยสติสัมปชัญญะช่วงระยะนึงไม่เลวว่าเอาสติเขาไปใส่มาเบิงกายเคลื่อนไหวเบิ้งใจเบ้กายเคลื Walking, <ph> antim, in ่อนไหวที่มันเคลื่อนวันไหวจี้สติสัมปชัญญะเขาไปนี่ก็ไปอีกช่วงระยะนึงก็ว่ากายเขาสมบะได้เบิ้งดูเบิ้งเบิ้งละเบิงก็เบิงให้หน่อยเบิองน เรียว่าแบ่งผากแบ่งผากเบิ้งหรือว่ามันก็มีลอยเปอร์เซ็เบิ้งไก่สี่สิบอ่าเบิ้งไจ่สักหกสิบเปอร์เซนตนี่เบิ้งว่าเบิ้ง เ, งเขาใช่บริการ ใ, ใจเรื่องไกยเขาใช้บริการ ใ, ใจเรื่องจิตตัวนี้สติส ม, มัยเช่นยาตัวนี้มันต้องไว้ฉับไวพอสมควรขันสติตัวนี้มันฉับไวพอสมควร น, นี่ปุ๊บมาปับ๊บเห็นปุ๊บเกิดเสียวปุ๊บเห็นปั๊บเกิดเสียวปุ๊บเห็นปับปนป๊บเห็นเข้าใจอยู่ตลอดนี่ตลอดอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมามันคือบรได้มีอํานาจมีการบอกเลยว่ามันมีอำนาจมาก ตัวสังขารตัวนี้มันถูกทำลายลงไปนี่ลงไปคันตัวคนาะไรที่สังขารนี้มันถูกทำลายยังมันถูกทำลายหน่ะรู้สึกว่าเขายังมรนญผลปีหนึ่งพระอยู่ทางไอ้พ้องหนีบมันนะคนมาคุยโอ้ยผมนี่สบายเลยบอมยึดมันถือมันบอมีความยังทั้งมัดที่ทั้งมดอยู่สบายสบาย่น่ะแล้วโอ้ยไก่ตีกตอนห่มกนืย่าจะกุ้ยโวอวดเลยไหมท่านวะจะมากงกงข้อขันไมะเพราะแค่นั้นอ่ะอีกสองเดือนต่อมาแล้วโอ้ยตายแล้วท่านวาจบหร ไปร้องถือเขาร er ้องดีร้องดีกันเลยเซ็ตไปเลยนี่ไปเลยเพราะฉะนั้นว่าความสิ้นเขาเว่านนี่ว่อนว่าเพื่อเอาชนะค้าค้านคนแต่ว่าเพื่อต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเขานีของเขาการประพฤติปฏิบัติตัวนี้บอลเพื่อไ่ต้องเอาชนะคนนี้คนอื่นนี่คนเป็นการเอาชนะเจ้าของนี่ตลอดสติสมัชัญญาของเขาต้องให้มันไวแม่นล่ะสติรู้สึกช่วงระยะนั้นรู้สึกว่าเหมือนกับเขามาเบิงกายของเขาหนีของเขาเหมือนกับมันซาซาแต่พอเขาเบิงใหญ่ของเขาต้องต้องขบวนการเป็นต้องไวนั้นทันกับอารมณ์ ว่มันเบิ้งเจ๋ก็เบิ้งคอยเบิ้งคอยมันเนิบหน้าเนิบหน้าเหมือนกับกลมส่างจังหวัดเหมือนก็บกลมก้มไปก็มาเมือนก็เใามันง่วงงมลมอรับพอยไปนี่ไปเพราะฉะนั้นมาช่วงที่วัคซีนจ็บมันเทาก็ต้องพยายามที่จะสะบีตตัวเขาให้มันเข้มแข็งขึ้นมาเตินตัวเตินตัวขึ้นมาสติสมัจจาเขาต้องให้มันตื่นขึ้นมาบอให้มันสมัติง่วเงียง่วเงียเยอะสระขนานบ่อเพราะว่าลงก็เกณฑ์หรือใส่งานบ่อ เขาไ่ได้เอาความสงบแต่เอาความหูเมื่อหูสึกเมื่อหูสึกตนโต้คันเอาความสงบไปไปรีเล่นนี่ใสก็ไดนี่ก็ไดมดน้อยู่ก็ไดนี่ก็ะไดมีฝรั่งปีนึงว่าบอ่โอ้ยุใสยุใสกระลบากนี่ลำบากอ่านแล้วทีนี้เขาไปย้า้ทำเขาไปย้ายทำอไนี่คนไปพูดไปคุยแล้วกเอาสำลีอุดหูไว้ปันนั่นก็บยิ้นนี้ยินอยู่กันมาเนี่ยความสงบพนอยู่วางไหนบันเนี่ยไ่ได้ยิ้นเสียงพูดเสียงคุยจริงมือนกับที่พริดาท่านพรานวันมันังลิ้นงูในปากงู โดยที่ว่าถูกเขี้ยวงูกัดอันนี้แหละสำคัญเพราะฉะนั้นว่าพวกเขาที่อยู่ในลักษณะใดจงึงถืเป็นปกติจะหันยาหันยอมพิสูจน์สํารวจประเมินผลแห่งเจ้าของร อ, อ, องเบิ้งหรือองเบิ้งเฮาไม่เห็ดหกหมื่นเ็ดหมื่อเลยตั้งแต่เริ่มงานมาแตไไไ่ได้กระตามนีก่กระตามเฮามาสํารวจตัวเขารองเบิ้งบ่อนไปสํารวจคนนั้นคนนี้ไปสํารวจคนนั้นคนนี้เป็นลักษณะนั้นคนนั้นคนนี้เป็นลักษณะนี้เปล่ามาสํารวจเบิ้งจิตใจของเขาสภาพจิตใจของเขา บบได้สำรวจด้วยความมีอคติกับตัวเขาให้ว่างกายวางแจกของเขาเป็นกากาลองเบิงนี่ลองเบิงว่างกายวางสติของเขาเป็นเอาตัวสติสัมปชัญญะของเขาตัวนี้เป็นตัวพิสูจน์ลองเบิงเป็นยังพระพุทธเจ้าจึงตอนพ่อตรัสรู้พุทธปฏิปันนางเสวยมุติสุขโย่าไต่ลมว่าลมนั้นลมลมจิกลมมุดจลินลมอยังต่างๆมองละเอ็ยดมือเอีดมือเพื่อยังเพื่อทบทวนเพื่อทบทวนอารมณ์เพื่อทบทวนความหูความเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่หูมานี่มิยังแอบแฝงอยู่บ่ มันบบนี้ยังแอบแฝงไม่ใช่ว่านั่นเป็นปกติแต่ขณะนี้มิยังไม่แอบแฝงกับชีวิตจิตใจมิอยากกู้อยากเด่นอยากดังอยากดังอยากเข็ยนอยากให้คนอยากแสดงให้คนออกหัวเขียนนี่อยากเขีนอันนั้นแสดงว่าอะไรละมันยังมีสิ่งอย่างนี้อยู่เบื้องหลังแหละมันก็ภาพเชิงสอนมันข้อมคิดตสอนความจิดเขายังไม่เห็นความขึดความคิดมันสอนความคิดทั้งหันเาะนี่มันก็เลย มันอยู่ทั้งหลังอ่ะคอยกระตุนเตือนคอยกระตุเตกตเตือนอยู่ของเขา อ, อยู่ตลอ ด, ดตลอดเพราะฉะนั้นว่าอย่าให้สิ่งใหญ่สิ่งหนึ่งห้มีตัวสติสมญาความรู้สึกของเาตัวล้ล้วนตัวเนี่ยเป็นตัวกำหนดตัวชะตาตัวกำหนดตัว ก, กันไอ้บของเขาอยู่ตลอดเป็นตัวกากับชีวิตของเขาอยู่ตลอดว่าให้สิ่งไหนสิ่งหนึ่งเขาบว่าเจอยางลงไปดีลงไปคันเขาจะเห็นได้ลักษณะนั้นได้แล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่ขณะใดเขาเห็นเห็ไปแล้วเพื่อไห้ขห็คนหูคนเห็นคนเข้าใจกับเขาอยากอยากอวดอยากอ้างอยากแต่มันก็มีไม่ไม อารมณ์ใหม่ๆนี่ใหม่ๆรู้สึกว่าอยากอวดอยากอ่างอยากแสดงอยากยังตางๆให้หยาดให้ยอมอยากให้พี่ให้น้องอยากให้คนนั้นคนนี้เห็นในหูเลยเห็นน้ำเผาเนี่ยนําเผากลัวๆได้ต้องพานคือกันอารมณ์เสียงมือนี่แต่ว่าเขาอันยังบ่มเป็นความสุขความสงบสุขที่แท้จริงยังห้อนอยู่มันกระทานในวันหมดไปหมดกับจินเยอะแต่ว่ามันยังคุกคุณอยู่มันยังบม่สนับสนิทแต่กันเอาไปที่อากาศหรือบรรยากาศที่มันห้อนห่อนกันที่อาจจะเกิดเปรีวยวไฟเกิดคมานําก็มีเพราะฉะนั้น พวกเขาต้องมาสำรวจบังมาวิเคราะห์วิจัยของเจของร่องบังนี้ร่องบังเพื่อความสงบสุขเกิด ข, ขึ้นภายในใจเจ้ของเขาในของเขาเขาก็คือบาไดดินล้นหลือบัไดลแลนดแลน์หาผูบาอาจารย์ไ่แลนหาซอก ซ, อกซอกหาผูบาอาจารย์สำนันั่นสำนักนี้พอมดมิติลีตั้งแต่บวช จ, จมนมาถ่ะบวชปีนิการมานี่ก็มาเห็นแล้วเข้าใจแล้วรู้สึกว่าเลิกด แ, แต่ว่าบางมื่อทีแต่ว่ากลับฟังผู้ใดว่อยยังฟังฟังมด เรามาพินิจพิจาณบางเจ้าของเขาสิบเรีดนหาครูเรนหาอาจารย์มีสติสัจ ญ, ญาณ น, นั่นแหละคือตัวสติตัวปัญญาของเขาตงเาหนิของเขาเป็นครูเป็นอาจารย์คอยกกับที่ตลอดเหมือนเราพูดว่าพระธรมวินัยนะั่นแหละจะเป็นครูเป็นศาสตร า, าของพวกเธอทั้งหลายเมื่อเราปฏิญญาพันไปแล้วแม่นแท้เพราะฉะนั้นว่าตัว น, นี้แหละเป็นตัวสาคัญะบวนการตัวน้อยๆตัวนีนน้มันจะก่อ ต, ตัวขึ้นมาขึ้นมาให้เขาเห็นให้เขาเ้ใขาใจมันคือมีข้อพยายนจิง น, นร้อะไรเราถึกว่า มั่นใจมั่นคงในการปฏิบัติมั่นใจในรูปแบบมั่นใจในการกระทําของเขานี่ของเขาทั้งหมดไอ้ศิวาไอ้ศิวในลักษณะกาบริวานไหวงอเงียคอนข้างเนไปเงนไปบ่มิดเป็นปกติไอ้ศิวที่ดีก็แล้วดีดีาดีของขาเจ้าว่าไม่ดีเหรอใส่ายซัวสซัวขาเจ้าว่าซัวเ้าองไปนี่ไปเนี่ยอันนี้เอาดีเอาซัวขาเจ้ามาเป็นอารมณ์เป็นอกอวิตกกังวโนวิ่่ะิานอู้รู้สึกว่ามันเห็นมัดหรอพอชนวาห้มันขม ขันซิ่งแล้นี่ไปให้มันได้ขันขานซิ่งแล้วนี่ไปได้ไปว่าได้แล้วก็เอยจะสิปฏิบัติไปปีหนึ่งปีนึ่งก็เฮ็ดกันไปนี่กันไปแต่ว่าความขยัใจบางครั้งมาขนาดเลยกลายเป็นทิศที่โอ้ยไข่ก็เฮ็ดก้อนเจ้ามาแต่งแต่สมัยปีเท่านั้นเท่านี้เลยเอาปีเอาเดือนมาเป็นตัวกำหนดกัดกดเกณฑกันไปนี่กันไปแล้ว่ออกกันกับทําบนเลยบ่ออกกันกับทํานความขยัใจเขาไมาเป็นตัวกำหนดเกณฑนคู่เป็นอยู่เพียงรายตีเดียวก็น่าชมเดี่ยวสวดไป ผู้บวชมาลอยปีลอยภาษาก็ยังว่ท่นเห็นชีวิตจิตใจยังว่สามารถที่ลดละสิ่งลเลียวออกไปได้หรอมื่อกี้นี้ยังลย่าเพราะฉะนั้นว่าพูกคอผกแม่พวกหญาดผูกเย้อ ก, กพระสองฆอง์ขาเจ้าพวกเข้านี่พวกเข้ า, าที่ว่าพระสงฆ์เข้านี่ก็เป็นบุคบคลที่น้ำหนาเป็นเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ให้เข้าเหตุหงเบิ่งทำหลงเบิง่งผมเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้เห็นเห็นพระสองฆ์ข้าเจ้าเห็นด้มรรพุษปฏิบัติลัคนีกนาอนุโมทนา ใ น, น, น, น, น, น, นในการกระทําในคาดนความเข้าใจของคนนี้ของคนในความฝักใฝ่ทั้งคนสมัยปฏิบัติตอนสมัยนั้นเนว่าโอ้ยทุกทุนทรม้นพอสมควรเงินบาทเงินนี้ก็บรบ่คือสดุดวกสบายคือสมมือนีสมมือนี่พันสะดวกองนวสะดวกไข่เมื่ตีขับรถขาราเป็นกระซงเสียหานี่หยรงเสียหาแล้วิหนงหมิงเหมาดมลลให้ยกลมอีกเ้ยเาความสบายตัวนี้ ไปประกอบไปสิ่งที่บอบเบ อ, บ อ, บอกเกิดประโยชน์กับชีวิตของเจ้าของเขาต้องหู้จักเขาต้องหาหาเอาโอกาสหาเวลาหาตัะเวลาตะ ต, ตวงของเจ้าของนิยองของเมื่อไปที่สถานที่นึงเขาเมื่อเขาเข้าใจในหลักการวิธีการลีกเกล่นออกไปนี่ไปเดินจคนคลมทําคุ้มเพียนหาเจ้าของเรต้องมาคุกขี้กับมูก็ะไรนี่ก็ไไรคุป า, จายจันพึ่งกาอนุญาตเพื่อน ก, ร, ออนอนก ร, ระเปิดโอกาสให้ขึ้กันแต่การที่เพิ่นเอาร่วมกลุม่มล้มมูนี่ล้มมูก็เพื่อต้องการนี่อยากใหครค้นปฏิบัติ อยากให้คนปฏิบัติเอาใจใส่ฟักไฟในด้านการปฏิบัติให้มากขึ้นไม่ได้สนใจบม่ได้ซัวซ่ากับไพปีนั้นจำพรรษาอยู่น้ากันจันสมศักดิ์ปีสองพัน่งร้อยยี่ิบสี่จีพระปีนั้นายหลายห ล, ลายลูกสามสิบสี่สิบห้าสิบกว่าลูกต่างคนต่างเดินต่างคนต่างเหตุต่างคนต่างทำมวนนี้ดีดเลยโยมเราก็เชียนันบึง บุคคลที่ปฏิบัติเดินจงกรมทำคมเพียนอยู่ตลอดอยู่ยิบหยบของจะของนีของนั้นรู้สึกว่าเพิินขยันไปหาดีดีแต่ ก, กันบนลงก็เ้นเดินผ่านไปแล้วนี้ไปแล้วหันหน้าก็มาคุยกันคองแจ้งจ้องจ้งองแจ ง, ง, แจ ง, ง, แจงอาทิตย์หนึ่งก็บ่ไปแต่นี่พวกเขาเนี่เห็นเรียกร้องหาแต่อาจารย์โอ้ยอาจารย์โอ้ยประเสมันเง่งวงเขานนลก็เลงหาเวิร์เิกายน่น้ว่าถึกัน อ, อาจารย์อยู่ใกล้กคือยังซืนคือยังมีขิน ม, มาแน่หัว แสดงว่าถ้ามาในมันมันจะใกล้อาจารย์เนาะจะใกล้พี่เลี้ยงเพราะฉะนั้นว่าเมื่อใดเขาสิงไงอ่ะให้เป็นคนไงทั้งเพลิงเมองเบี่ยงจะเป็นคนจะเป็นอนุเป็นเด็กอนุบาลอยู่เรื่อยล้าไปก็ไหวได้ซรอยลดตนเองได้แก้ไขเจ้าของได้ไม่ยังมาใหาแก้ไขบ่มันยังมาให้ให้สึกงให้ให้ใโอ้ยจนจนกรอกจนต่อกะมันนี่กะมันก้มง่วงมากกับจนปลาใช้กะมันปลาใช้กะมันก็เป็นมัดเี่ยมมดไม่ยังมากก็รู้สึกว่าอุ้ยเมื่อยอุ้ยปวดอุ้ยเจ็บ โอ้ยล่าโอ้ยเมยอโอ้ยหิวมีแต่โอ้ยกับโอ้ยมันก็เลยเป็นช่องว่างของควา ม, วา ม, วามของกิเลสเกิดขึ้นมาเขาวสวมเข้าไปทันทีเดียนที่เพราะฉะนันน้นว่าอักเอาลอดเห็ดเอารอดทำเอารอดสั่งเอารอดแต่ว่ากับแปลกที่คุยกันอย่างนิมความอยากของคนนี่กระสือว่ากระปกปิดความเป็นจริงของชีวิตของเขาก็คือกัน แต่าความบี่ยากก็จะติเฮ็ดนั่นเนี่ยมันเอาเห็ุเอาผลมาหักลังกันอยู่เพราะปณิวเพราะฉะนั้นว่าทําลงไปบา ง, บางอย่างเยอะเอาอยากอย่อความอยากแล้วยอ า, อยาความบี่ยากมาเป็นตัวกําหนดอยากเฮ็ดก็เฮ็ดบี่ยงเฮ็ดก็บี่เฮ็ ด, บ อ, ด, บ, ดบอหน้าที่เรียกว่าให้เป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ของชา่าฟุตของเขานีต้องปฏิบัติเข้าใจในลักษณะนี้ฉะนั้นว่าอุย้ยย่มสิ่ขันก็ไปเฮ็ดย่มขยันไงจังเฮ็ด อันนั้นก็ยังยังยังยั ง, ยงเข้าใจหน่อยอยู่ให้พูดว่าเป็นนาทีของเขาซะความเป็นชาพุษตของเขาเนี่ยให้เป็นนาทีของชาพุษตที่จะต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกขณะคันโมวิสติสมัมมยะขันโมวิสติสมัมมญะกะรู้สึกว่ามีแต่ความมีแต่พญา ม, ม, มันที่จะเข้ามาบาังเดียดดังนั้นจากปากแหย่าไถโย่มมีความ เย็บเอาไปคอยคิดเป็นเครื่องเตือนคิดจะิดแก่ร้องเบงว่าสิ่งใดที่เขาเกิดขึ้นมาทํำไปแล้วนี่ไปแล้วที่เขาไปยึดมั่นถือมันยึดถือก็สิ่งเหล่านั้นแล้วมันเป็นอย่างไรมันเป็นทุกข์หรือเป็นความเดือดร้อนสั่งความเดือดร้อนสั่งคืออะไรวะอ่าปริโพลดังว้นครับเจ้าของสั่งความเป็นตัวเป็นตนของเจ้าของมากเกินไปนี่เกินไปจริงๆแล้วหลวงพ่อพนว่าคนเขาหนิมันอยู่ซื่อเป็ี่ยนอีรีเด้เย็บเปองนั่นเขามาชิดเย็บเป็นนี่เขามาชิดขันยุ่เป็นปกติยุ่งซื่อหนิฉั่นจะ รู้สึกว่าบ่มวลว่าสนุกเนาะคันคิดไปแน่นี้ไปแน่ก็รู้สึกสนุกสนานกันไปนี่กันไปยิ่งปัจจุบันนี้สังคมยิ่งมีความผันผวนเศรษฐกิจที่ิ่งต่างต่างย่ต่างรู้สึกมีความผันผวนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปทุกคณะนุกคณะพวกเขาต้องการมันหูจากท่านเขาท่านเลี่ยงเกมของชีพของเขาพอสมควรการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขามันก็เปลี่ยนแปลงตั้งแต่นมแต่หน่อยมาทาเถาหายแจ มีการเจ็บไถ่ได้ปบวยกันไปนี่กันไ ป, บบไปกันเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงเท่า น, นั้นชีวิตจิตใจของเขาเขาต้องหูเท่าท่านมันขึ้นกันการทำาห้สติสมรยัญญติทิ่เราดีเราสึกว่าโอ้เป็นเกราะป้องกันเป็นเรื่องว่าเป็นสางคุ้มคุมกันแก่ชีวิตกิตใจของเขายิ่งโลกปัจจุบันนี้เลยว่าเป็นโลกยุคสังคมกำลังในสังคมกำลังอ่าพุ่มคุมกันบกห้องอยู่ตลอดเพราะนว่าทำมาสางคุ้มคุมกันของเขานี่ของใครมันมีความเฉืมแข็งขึ้นมากขึ้นมา สังคุ้มตัวนี้มันต่างท่านกับเรียกว่าอวิชชาเกิดขึ้นมาขึ้นมาให้มันได้คันเท่ามันมีคุ้มคุ้มกันจริงหรือไม่ไปใดนี่ไปใดแล้วก็โอ้ยอ่อนแอวันไหวไปงานนี่ไรไงยิ่งเมื่อวันก่อนนี่นิยมอ่าพวกยในองค์กรขึ้นชั้นเข้าทํางานในรานเกี่ยวกับโรคเอดส์กลางว่าเมื่อขอนจันน์รู้สึกว่าเป็นนาอันตานาห่วงนาวิตกพอาะสมควรโรคเอดว่าพอนี้เขาเมื่อนั้นเขาแม่คุ้มไม่บ้านไปทำบุญบอว่าคุ้มแม่บ้านพวกนี้ เป็นผู้ติดเชื่อซีหากคนทั้งๆ ท, ท, ที่ บ, ope, บ smells, Beast, ได้รับผิดชอบอย่างบได้ยบอดายอย่างบอมีมือหงุดหงิดอย่างนี้อย่างสามีเป็นผู้นาซื้อมาให้นีมาให้เพราะฉะนั้นว่าคนเท่านั้นรู้สึกว่าคุ้มคุ้มกันตัวนี้มันบกพ่องไปแล้วนี่ไปแล้วรู้สึกว่ามันก็อันตรายทั้งหมดรวมมือกันจะย่ยมทางคุ้มคุ้มกันเขาจะคองให้มันได้ ยาแฮมซิงเราดีมันเกิดขึ้นมาในขึ้นมากับชีวิตจิตใจของเขาคันซิ่งเรานี้เกิดขึ้นมาในของเขาเลยซึ่ว่าโอ้หนาเป็นห่วงแต่กบบระบอกจัก๊กเราสังคมนี้กำลังเป็นโรคเอดกบบระบอกจัก๊กคนนี้กำลังเป็นโรคเอดแห่งข้อมคึ้กรบอจั๊กเล้ยวไหลเพราะฉะนั้นว่าพวกเขาต้องมาหยุดยับหยั่งมันซะจินเลส ท, ที่มันขอบงํอาอวิชชาที่มันขอบงำภายในชีวิต จ, จิตใจของเขาหยุดมันได้นี่มันได้เหมือนกับขบวนการบ่ามันเผยบ่เห็นเผยแพ่กันไปนี่กันไปบ่าเห็นเพื่อเช่อ แค่เชื่อออกไปเนี่ยอไปสู่คนอื่นอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐ ด, ดังนั้นจะให้ฝากให้ใหพอ่อให้แม่เฮานี่เฮาต้องเตรียมตนเตรียมตัวของเฮาเตรียมสติสัมปชัญญะของเฮาให้มีความมั่นคงนักแน่นให้มีความขันติมีความอดทนเหตุยังทําอย่า ง, ง, างรู้สึกว่ามีความอ่อนน้อมทตนลงไปนี้ลงไปจะเฝ้าหู่นหันพันแนะลนบวรมวลันพันวามีอารมณ์ยังเกิดเป็นม้ให้นับมือถึงสิบสกกี่มือสองเพื่อเป็นการรู้วันเป็นลูกตุ่มทวงเอาไว้ บ่วมมันไหลายแรงกันไปมีเกินไปขันมันไหลายแรงกันไปนูสถึงมันทีเกิดทุกทรมานเกิดความผิดพลาดหลายทิ้งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมาในขึ้นมาเพราะฉะนั้นว่าเมื่อเขาจะล้สติสัมชัญิยาของตัวนี้เขาต้องเอาสติสมบัญิยตัวนี้ออกมาใส่บพรว่ากลับไปอยู่ที่ได้ที่ได้กรตามนีกระตามเพราะคนเขามันมีอยู่แล้วกระบวนการการเคลื่อนไหวตัวนี้ของเขามันมีอยู่หลายในตัวตนของเขานี่ของเขาทุกคนบริญญเวนภาวะความผูกจากกูดแจ้งเห็นจริงนี้มันก็มีอยู่ในตัวคนคนทุกคนคนบริยญเวนเว้นแต่เขาสิ่ตกบกปิดเอาไว้เลยว่าเปิดของท งายคล้องที่ข่มมันขึ้นมาี่ขึ้นมาเพื่อรองรับเพื่อรับแสงแดดแสงตะวันที่มันเกิดขึ้นมาี่ขึ้นมาให้เขาได้เห็นในพกไปพอเอานี้ปัจจุบันนี้ได้ดีมันดีได้ย่อมบ่มันตายไปแล้วเสียวเด้อพันิุพันุ์นี่มาสิบอมแมนให้เอาในปัจจุบันในขณะเนี้ยไปสร้างสวรรค์สั่งนิพพานหรือสั่งความสงบสุขเพในครอบครัวของเขาให้มีความเป็นปกติสุขอะยิ่งสังคมปัจจุบันนี้ยิ่งร้อนร้อนมากเกินไปนี่เกินไปมากรุนแรงมากที่จะยาบงยาบ้าจะไว้จังได้นี่จังได้สมือัยระบากก็ระเด คู่ท่านโรงเรียนก็รู้สึกว่าเป็นผู้ที่เอเย่นขายยามุงยามากันไปนี่กันไปเห็นบ่อโรงเรียนบางไหนโรงเรียนใส่โรงเรียนด้านคุณทศดิของโรงพ่อคุ้นพันสั่งให้เพื่อการศึกษาหาคุยชาวคุ้มดูแต่ว่ากับกลายเป็นแรงผลิตยามาแรงขายยามายิ่งเสร็จแรงเสร็จยามานักเรียนสองร้อยกว่าคนก็โอ้ยติดยามาเป็นงอมแงมกันไปนี่กันไปซ้ำคมรู้สึกมันรุนแรงกันมากนี่กันมากเพราะฉะนั้นพอเขาเห็นอะไรที่มีความถึงว่าคุ้มเขาเป็นคุ้มในน้อยยังไงยุ่ยเขาบัง เทศแต่เขาเบิง่งทําทําให้เขาดูอยู่เขาเบิง่งร้องเบิง่งนี่น้อเบิงงเบ่งมันที่เกิดขึน้นมาี่ขึ้นมาเป็นอนุภาพแห่งความสงบสุขก็เกิดขึ้นมาในขึ้นมาโอ้มันยังมีก็คือกันคนสงบสุขมันมาเหมือนกับยศโลกนี้ ว, วนะุ่นวายเนาะโลกนี้ขัดข้องเนาะพระเจ้าได้ยิญนที่นี้ไม่ ว, ไวุ่นวายที่นี้ไม่ขัดข้องเธอจงมานี่สิเพราะฉะนั้นว่าให้เรียกเขามาให้เห็นให้มันได บ้ามาันเยกเขาเขามาแล้วเจ้าของมันตลอดพ่แบ่งกันแล้วก็ู้สว่าอู้กะวนวายกันไปไงเนี่ยไปไงเพราะฉะนั้นว่าให้ความสงบสุขมันเกิดขึนเกิดให้มันมีให้มันเกิดขึนไม่ได้ชีวิตจิตใจของเขาในกรนีกันทุกทุกค น, กคนจบเพียงแค่นี้เนาะ